ไปที่ทน่าปลับปลื้มมากก็คือมีชาวต่างชาติจากทั่วโลกทราบซึ้งในเมตตาจิตที่ได้รับจุดที่เราตั้งโรงทานเป็นศูนย์รวมชาวต่างประเทศมีทั้งพวกที่รอเดินทางกลับและพวกที่เดินทางเข้ามาค้นหาญาติมิตรพวกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเราในเรื่องอาหารการกินที่เราแจกจ่ายให้ฟรี ในตอนนั้นมีผู้สื่อข่าวจากสหรัฐอเมริกาเยอรม น, นีและอีกหลายประเทศมาสัมภาษณ์คณะทำงานด้วยความแปลกใจที่เห็นความร่วมมือร่วมใจของพวกเราในการมาตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยว่ามีที่ใดในโลกที่มีการแจกทานให้ผู้ประสบเคราะห์ภัยอย่างกว้างขวางอย่างที่เราทำอยู่นี้ในประเทศอื่นๆต้องเป็นภารกิจของทางรัฐบาลพวกเขาโงนว่า ทำไมจึงมีผู้ให้ทานข้าวของมากมายมหาศาล ร, รวมทั้งอนุเคราะห์ด้านอาหารการกินเช่นนี้แล้วเหตุใดคนไทยจึงได้ส่งเคราะห์กันโดยท่วนทั่วนหน้าทุกคนที่เดือดร้อนและพวกเขาก็ได้รับคำตอบอย่างนี้ว่าการที่คนไทยเป็นเช่นนี้ก็เพราะเราเป็นชาวพุทธซึ่งเน้นในเรื่องการให้ทานเป็นสำคัญนี่คือลักษณะจิตใจของชาวพุทธและพวกเราคณะทางานก็ดำเนินรอยตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ คือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดทุกแล้วและท่านก็ได้ออกมาสงเคราะห์โลกเป็นเวลาเนิ่นนานร่วมห้าสิบปีแล้วแม้เมื่อครั้งที่ชาติเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่านก็เมตตามนำพวกเราทำในเรื่องของการช่วยชาติจนชาติไทยของเราอยู่ไม่ได้อย่างมั่นคงจนทุกวันนี้